บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงความไม่รู้ในสมุทัยเคยเกิดแห่งทุกข์มาโดยลำดับปือสังเกตว่าความไม่รู้เหล่านี้บางครั้งเราใช้คำพูดที่ว่าไม่รู้บาบุญคุนโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ หรือเป็นคําที่พูดคล้องจองกันไปแต่แสดงเห็นทั้งความไม่รู้ทั้งสองสายคือสายแห่งความเสื่อมกับสายแห่งความเจริญตามปกติแล้วถ้าหากว่าคนมีปัญญาเป็นหลักในการตรวจสอบในการพิจารณาแล้วก็สามารถจะรู้โทษของกิเลสไดใ้ในระดับต่างๆ วันนี้พึงสังเกตคำสอนที่คุรเจ้าทรงสอนไว้ในรับหยาบบางกลางบ้างละเอียดบ้างแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็สืบเนื่องมาจากกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเช่นทรงสแสดงถึงภพภูมิที่เรียกว่าเป็นอบายคือการเกิดในกำเนิดนรกเป็นดิริชานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นสภาพชีวิตที่ประสบความทุกข์ความเือดร้อนอย่างต่อเนื่องยาวนานลักษณะเหล่านี้เมื่อเราสะท้อนกลับไปถามว่ามาจากอะไรก็จะเห็นว่ามาจากสถานะของบุคคลผู้นั้นที่เป็นคนพานโดยสถานะเป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งหลายเป็นหัวขโมยเป็นอจาจักกรเป็นฆาตกร เป็นคนประพฤติผิดในทางเพศเป็นคั้นเป็นคนที่โกหกหลอกลวงเปน moon, ็นปกติพูดง่ายๆว่าเป็นคนผ่านจะถามว่าทําไมเขาจึงเป็นคนผ่านเพราะมีอาการที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาที่เป็นทุจริตแต่ถามว่าทําไมก็ออกมาทางกายทางวาจาที่ทุจริตก็เพราะความคิดเขาเป็นทุจริตจะถามว่าทําไมความคิดเขาจึงเป็นทุจริต ก็เพราะว่าความคิดเขานั้นประกอบด้วยความโรคความกด ค, ความดมเราก็สาวกลับไปสู่ตัวสาเหตุที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมุดไทยในพระบาลีส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องตัณหาทั้งสาประการเอาไว้เราจะเห็นว่าตัณหาทั้งสาประการนั้นที่จริงก็คืออาการของโรคกวดตรงการตัณหาความอยากได้ สิ่งที่ตนคร่ปรารถนาพอใจเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นในสิ่งตนคร่ปรารถนาพอใจเป็นอาการของโลภะและโมคะผสมกันวิปวัตตตัณหาความไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบใจลักษณะความรู้สึกที่ไม่ชอบใจนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเป็นอาการของโทสะ แต่การที่เกิดความรู้สึกเหล่านั้นก็แสดงว่ามีโมหะอยู่สรุปแล้วอาการตัณหาทั้งสาประการก็คือสิ่งที่สืบเนื่องมาจากโมหะและโมหะนั่นเองก็สืบเนื่องมาจากอวิชชาถึงสรุปแล้วว่าพฤติกรรมที่เป็นบาปเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดกาละนานขาองบุคคลนั้น รุนแรงจะสืบเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงไว้ในเชิงที่เป็นรูปธรรมหรือเชิงที่เป็นนามธรรมก็าตามแดยเพราะขาดการรู้เห็นตามความเป็นจริงบุคคลยังปล่อยให้กิเลสเหล่านั้นครอบงําใจตัวเองมีการแสดงออกทางกายทางวาจาเป็นพฤติกรรมที่ทําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่น จนเป็นปกตินิสัยเป็นลักษณะของบุคคลนั้นๆซึ่งันที่จริงแล้วเขาก็ประสบความเดือดร้อนในชาติปัจจุบันอยุดแล้วส่วนผลในชาติต่อไปที่ทรงแสดงไว้เป็นรูปอบาย4ีนั้นเป็นเรื่องของผลที่จะต้องรับในอนาคตเท่านั้นแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการกระทำอะไรไปตามนาของกิเลศก็เป็นสิ่งที่เห็นกันอยู่เข้าใจกันอยู่ แต่เพราะขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาหรือมีโมหะปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ก็ทำให้คนปฏิเสธตัวเหตุที่ให้เกิดผลขึ้นแก่ตนเองซึงในกรณีนี้พระเจ้าก็ทรงแสดงไว้ด้วยญญืต่างๆจะทรงแสดงว่าคนผ่านที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนผ่านนั้นเป็นคนผ่านโดยแท้หมายความว่าความผิด โทษทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองแต่ก็พยายามปฏิเสธผลเหล่านั้นว่าไปได้มาจากเหตุที่ตนทําหรือแม้แต่เหตุที่ตนทําแล้วบางทีก็ปฏิเสธไม่ยอมรับเหตุเหล่านั้นและโยนให้บุคคลอื่นบางทีไม่รู้จะโยนให้ใครก็โยนให้ยิงควาอากาศโยนให้ดวงโยนให้ดาวอยู่ในโชคคราะห์ต่างๆว่าเป็นเหตุให้ตนต้องทำอย่างนั้นต้องรับผิดอย่างนี้ ในสุดมันก็เข้ารถขบผนไปดีื่ยๆลักษณะของความไม่รู้เหล่านี้แต่แพร่ครอบคลุมวิถีชีวิตของบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากเที่ออกมาในรูปของความเห็นเป็นเหตุให้ถือตัวถือตนที่เราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาหรือว่าความเครือบแคลงสงสัย ไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้ในที่ําคัญอย่างยิ่งก็คือความถือมั่นโดยศีลโดวยวัดโดยข้อปฏิบัติทางหลายที่เข้าใจว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็นําไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นนําไปสู่การทะเลาะวิวาทนําไปสู่ความโลภที่ต้องการให้คนอื่นเห็นอย่างที่ตั ว, ตวเห็นหรือตัวเข้าใจ ลักษณะเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่ล้วนเกิดขึ้นมาจากตัววิชาเพราะเวลาพู้เจ้าทรงสอนให้รู้พวกเรื่องของกิเลสในระดับทั่วๆไปกับระดับจินธรรมจัญญาก็จะทรงชี้โทษที่สัตว์ทั้งหลายประสบในอบายในความเป็นสัตว์ในรกในความเป็นเปรตในความเป็นสุรกาย ทรงชีโทษของความเป็นคนผ่านอาจจะเอาตัวอย่างบุคคลต่างๆที่ประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทำความชั่วของตัวเองเช่นพูดถึงนายโคค่าที่มีอาชีพในการฆ่าโคข้าโคาโคดยความพริดเพรุนแรงจนในที่สุดก่อนจะตายถูกกรรมเบียดเบียนกรรมให้ผล ร้องควนควางโอดโอยมันก็เสียงโคลรรงก่อนก่อนถูกเชือดในขณะที่ถูกเชือดเป็นเวลาถึงเจดวันคือแสดงถึงเรื่องนายจุนทัศสุกริกที่มีอาชีพในการฆ่าสุกรประสบความทุกข์ทรมานร้องเสียงเป็นหมูครานอยู่ตลอดที่บ้านดิ้นรนคล้ายๆกับหมูถูกน้ําร้อนเสียงร้อนดังไปไกลถึงวัดราชเชตวัน แล้วก็ส่งย้อนให้ดูว่าทําไมนายโคคาดจึงเป็นอย่างนี้ทําไมนายจุนทาสุภฤติจึงเป็นอย่างนี้เพราะคนทั้งสองนั้นฆ่าสัตว์ด้วยความมารโหดรุนแรงแทนที่จะฆ่าเฉพาะระดับอาชีพเฉยๆซึ่งก็บาปมากอยู่แล้วแต่ไปเพิ่มความมารโหดรุนแรงรในวิธีของการฆ่าจะนายโคคาดฆ่าโครครั้งหนึ่ง โดยเพียงต้องการจะกินเนื้อแต่ก็ไม่มีเนื้อให้กินก็ไปดึงลิ้นโคจากปากโคแล้วก็มีดตัดมาจากปากของโคเพื่ออมากินหรือว่านายจุนท่าสุกริเวลาขาสุกรก็ต้มน้ำร้อนเทลงไปในปากสุกรที่กำลังเป็นเป็นลวกตับาตไส้พุงประสบความทุกข์ทรมานดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดร้าวอย่างทารุณ ดนลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นก็ได้แต่ทําไมต้องทําอย่างนั้นทําให้วิบากกองกรรมมีความรุนแรงเพราะการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นทรงแสดงว่าสัตว์นั้นมีขุดมากเจตนาเราประกอบด้วยโรคโหดลงมากด้วยความพยายามลาาักษณะหัโหดรุนแรง ผลบาปก็เกิดมากและส่วนใหญ่เราจะประสบผลกรรมในรูปของทิฏฐธรรมคือเห็นการจ่าจะในปัจจุบันนั่งเปการแสดงถึงบาปต่างๆที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคนแล้วก็ย้อนไปให้เห็นถึงอาการของกิจเหล่านั้นบางครั้งอาจยกตัวอย่างคนที่ต้องติดคุกติดตารางหรือถูกตรึงเอาไว้หรือถูกเสียบไว้ด้วยหลักด้วยแล้ว โดยหลาวแหลนต่างๆซึ่งในสมัยโบราณเขาเรียกว่าทันทะทรมานต่างๆนั้นมันใช้วิธีที่รุนแรงมากบางทีก็าจับคนเป็นๆไปเสียบเอาไว้กลางแดดด้วยประสบความทุกข์ทรมานใจรุนแรงก็คล้ายๆที่เราพูดเราทราบเรื่องราวกันตรึงไม้การเขียนพระเยซูเป็นต้นนั้นเป็นว่าเป็น วิธีลงทันทรมานคนด้วยวิธีการที่ก็คงคิดจะให้หลับจังแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นมากเลยเพื่อแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้เป็นเครื่องมือในการสอนก็สอนได้จัดจัคือชัดเจนมากเพราะที่คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขามีการกระทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่กระทำอย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้น ความวาดความสะดุ้งความกลัววดตยาตที่ปรากฏคิดประจิตใจไม่บาอย่าชา้าเกิดไปมันก็พูดขึ้นง่ายหน่อยเพราะภาพเหล่านี้พระเจ้าก็ส่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนแต่นสะงย้อนกลับไปสู่ผลซึ่ง ส, สู่เหตุซึ่งให้เกิดผลอย่างนั้นเพื่คนมองเห็นว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากทันทวิทยา ในการลงทันที่เขากระทากันอยู่ในขณะนั้นนั้นมันเกิดขึ้นจากการกระทําของคนนั้นก่อนไม่ใช่วันนึกจะจับใครมาเสียบหลาก็จับเสียบเอาแต่เขาจะต้องทําความผิดในระดับที่ต้องลงโทษอย่างนั้นจึงการลงโทษอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นเพื่อคนได้สํารวมระหว่างและงดเวน้นไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะความกลัวต่อทุกต่อต่อภัยต่ออันตราย หรือแม้แต่การแสดงเรื่องเทวทูตที่เคยเล่าไว้ในเทวทูตสูตรว่าเมือสัตว์ไปสู่สำนักของพยายมพยาลมจะถามว่าในขณะที่เป็นมนุษย์นั้นเคยเห็นเทวทูตตั้งห้าหรือไม่ก็ได้เห็นมีความคิดมีความเห็นเราเทวทูตตั้งห้าอย่างไก่ถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็จะบังเกิดในสุขติ ถ้าเป็นไปในทางที่ทไม่ดีก็จะบังเกิดในทุกขติซึ่งเราจะเห็นว่าเทวทูตทั้งห้านั้นก็คือเด็กเด็กอ่อนหรือว่าสตีมีขันมายความมามองไปตัวเด็กตัวเด็กที่อยู่ในรันหรือว่าออกนอกรันใหม่ๆคนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังไปลงโทษต้องอาอยากของแผ่นดินคนแก่คนเจ็บคนตายรวมแล้วก็เป็นเทวทูตทั้ง5 แต่เราจะเห็นว่าในคําสอนที่ลึกซึ้งนั้นการเกิดที่เราเรียกว่าสังสารทุกข์คือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแล้วความทุกข์ตั้งมัวน์นก็มาจากการเกิดในแง่ที่เป็นรูปธรรมเราก็เห็นกันอย่างนั้นแต่ในแง่จริงๆแล้วความทุกข์มาจากตัณหาความเกิดนั้นมาจากตัณหา จะเรว่ตัณหาสิเนหังคือตัณหาเป็นอย่างเหนียวเป็นกิเลสเพวกกิเลสทั้งหลายนั้นเป็นเหตุให้เกิดกรรมเมื่อกรำมมีกิเลสมีการเกิดก็มีคล้ายๆกับมเมล็ดพืชที่ยังเหนียวมีหน่อยังไม่ถูกทําลายพอได้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็แตกหน่อออกมาแล้วก็งอกเจริญเติบโตขึ้นมาได้คนเราที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็เป็นเช่นนั้น เขามีกิเลสซึ่งเป็นเหมือนอย่างเหนียวผ่านอย่างเหนียวภ่านในพืชซึ่งมีกรรมเปรียบเหมือนกับเนื้อนาหรืออุณหภูมิที่เอื้อต่อการงอกของมนเมน็ดพืชเหล่า น, นั้นแล้วก็มีวิญญาณซึ่งเปรียบเหมือนกับหน่อของพืชปัจจัยทั้งสามนี้ยังมีอยู่ตรับใดการบุนบนญอย่างสารวัตก็ต้องมีอยู่ตรับนั้นแต่ทิ้งเหล่านี้ที่จริงก็ทําให้หมดไปสิ้นไปได้ เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่หมดไปสิ้นไปนั่นการเกิดก็ต้องมีอยู่ตับนั่นเพราะนั้นความเกิดจึงเป็นทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอนว่าลุกขาชาติปุรณะปุรังการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆการเกิดจึงเป็นทุกข์อยู่ร่ําไปและความทุกข์โลกอื่นก็สืบเนื่องมาจากความเกิดแต่ความเกิดเองมันก็สืบเนื่องมาจากกิเลส แต่นการมองที่ตัวนักโทษซึ่งประกอบประสบทันทารมานต่างๆนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับคนที่เสียบปล่าอย่างกล่าวแล้วคําถามอย่าทำไมทําไมทํา ไ, ไมก็ถามไปทํามมาก็ไปเจอกับ ก, กิเลสทําไมจึงถูกทัน ท, ทรมานเพราะเขาทาผิดทําไมจึงเขาทำผิดเพราะเขาคิดผิดทําไมจ๋ยวก็คิดผิดเพราะกิเลสเกิดขึ้นครุมรุมใจทําไมกิเลสเกิดขึ้นรุมรุมใจ เพราะจิตใจอ่อนไหวไปตามอํานาจของกิเลสซึ่งเราจะเห็นว่าเอาข้าจริงแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่ที่ท่านเรียกว่าธรรมะคือมันเป็นอย่างไงก็มันเป็นเข้ามันอย่างกันการในสิ่งนั้นๆจะมีผลบวกลบต่อเรานั้นก็ต่อเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น กต่พเราไม่ไปเกี่ยวข้องมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่คล้ายๆกับเหล้าเหล้ามือในขวดของมันอยู่ในโรงอยู่ในร้านเราก็อยู่ส่วนเราเหล้าก็ไม่มีสิทธิ์จะทําให้เราเมาเราเสียต่างได้ถ้าเราไม่ไปซื้อเหล้าเหล่านั้นมันดื่มหรือแม้แต่ซื้อแล้วถ้าไม่ดื่มก็ไม่เป็นอะไรนี่จเห็นว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราไปหามาไปสร้างขึ้นหรืออาจจะใช้คําในไทยว่าเรื่องที่เราไปหามาคือเราหาเรื่องเอง ร้นทันทาตรมาล์ที่จริงมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันใครเป็นคนสร้างคือความชั่วของสัตว์เป็นคนสร้างขึ้นแตเห็นว่าโทษเด้แงแรงจะนนโทษประหารแต่ในคราวหนึ่งเมืองไทยมีการกระทํามาเป็นขมวนิตรถถูกจับกุ่มคุมขังจนเราเห็นว่าสมัยก่อนหน้านั้นมันก็มีไม่มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทำมาเป็นขบวนิตร แต่เมื่อมีการกระทํามันเป็นคอมมินิตที่เป็นภัยต่อสวัสดิภาพของสังคมเกิดขึ้นก็มีมาตรการในกฎหมายเข้ามาเพยายื่อจะแก้ไขประกาเหล่านี้ก็มีการจับกลุมคุมขังลงโทษกันถ้าการกระทําเช่นนั้นไม่มีพระราชบัญญัติการกระทําเป็นคอมมินิตจะมีหรือยอยู่ไหมเราก็บอกว่าไม่มีเห็นไหมว่ากรรมของสัตว์ต่างๆนั้นเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นและกรรมนั่นเองมันก็มาจากกิเลส ถ้าไม่มีกิเลสก็จะไม่มีการสร้างกรรมขึ้นมาแล้วไการสอนสืบสาวไปถึงตัวสมทุทัยประการที่คนต้องเป็นนักโทษต้องประสบความทุกข์ทรม า, านต่างนั้นที่จริงมันมาจากกิเลสโดยเหตุหลักจริงๆก็อยู่ที่กิเลสเพรา ะ, ะความแก่ความเจ็บความตายก็จะเป็นเช่นเดียวกันสาวไปสาวมาภาษาไปถึงความเกิดย้อนก็ไปสู่เบื้องหลังของความเกิดก็ไปเจอเข้ากิเลส โดนยนัยยะที่กล่าวไว้ในตอนต้นตแม่แต่การหยุดยังพฤติกรรมของตนเองเอาไว้ไม่รู้อำนาจเก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นซึ่งทรงสแสดงปัจจัยแห่งกิริโอตรปะปาโดยเฉพาะปัจจัยของโอตรปะปาคือความสะดุ้ ง, งปวดระบาตดเราจะเห็นว่าเป็นการมองถึงอาการของกิเลสแต่ก็เป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวปลุกราวให้คนมองเห็นโทษเนะ่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เห็นรายละเอียดขนาดภ า, าวะธรรมของโรคกวดหลงอะไรก็ได้แต่หมายความมองเห็นว่าถ้ามีการกระทําเจ่นนัการพูดเช่นนั้นผลบาป ก, ก็จะบังเกิดขึ้นแกิตนเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นเกิเกิดขึ้นกัคนอื่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะปัจจัยเกิดอตุตตปะจึงมีอยู่สี่ประการเขาแรกก็คลัวว่าตนเองก็จะติดเตียนตนเองได้ ซึงเห็นว่าภายในจิตใจของเรานั้นมีมโนธรรมสำนึกอยู่พอสมควรแต่ว่าจิตใจไม่บาปหยาบช้าจนเกินไปมีความผิดพลาดบกพร่องอะไรลงไปก็จะเกิดสำนึกเสียใจยในการภายหลังก็ตอหนี้ตีเตียนตัวเองได้แต่ยิงความแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่นั้นคือมโนธรรมสำนึกที่จะหยุดไม่กระทำความชั่วต่อไปได้รูร้ว่าท่านผู้รู้ใครควรพินจารณญาแล้จะตีเตียน ผรู้นั้นจะพูดถึงสิ่งทั้งหลายคล้ายๆกับรายงานภูมิอากาศภูมิอากาศจริงๆเป็นยังไงทั้งกับรายงานอย่างนั้นไม่มีการเสริมเติมขึ้นในแต่และเรื่องทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเอือกลัวต่อการถูกจับกลุมขุมขังลงโทษเห็นว่าคนที่อยู่ในคุกนั้นพอสาวกลับไปจะเจอกิเลสทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนอยู่นอกคุกไม่มีกิเลส เพียงแต่ว่าคนที่ติดคุกนั้นมีกิเลสแรงจนขาดการควบคุมและในที่สุดตัวเองก็ถูกกิเลสเหล่านั้นผลักใส่เสือกสายไปให้ประสบปัญหาต่างๆให้มีการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายแล้วก็นำไปสู่การติดคุกติดตารางในที่สุดจนถึงข้อสุดท้ายที่พูดถึงการกลัวภยัยในนรก ต้นเหตุนวรณนรกมันก็เป็นผลสุดท้ายของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจที่เริ่มแผดเผาที่ใจก่อนออกมาทางกายทางวา จ, จาก็ลุกลามไปเผาคนอื่นเป็นวัจีทุจริตเป็นกายที่เกิดก็ลามไปเผาคนอื่น จนกลายเป็นพฤติกรรมถาวรของบุคคลเหล่านั้นคนเห็นก็หวาดกลัวก็กระยั่งขยัก็รังเกียจไม่ต้องการพบเห็นไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแล้วจนขอต้องมาสด ผ, ผ, ผลกรรมในปัจจุบันประสบผลบกรรมแล้วยังไม่สาแก่ใจเพราะว่ากรรมยังให้ผลไม่หมดก็กรรมนั้นก็ยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปก็บังเกิดในชุกติเราเห็นว่าทั้งยิงมาเป็นกระบวนการเดียวกันอยาที่ทรงสแสดงถึงการ เรเมื่อศีลเป็นต้นหรือว่าคนไม่ให้ทานคนตนีคนไม่มีศรัทธาเป็นต้นพูดง่ายว่าคนที่มีความคิดจิตใจกอบด้วยอกุศลนั้นจะมีความเดือดร้อนเนี่ยเป็นผลทึ่งเราสัมผัสด้วยตัวของเราเองไม่มีใครรู้หรอกแต่เราก็สัมผัสความรร้อนเหล่านะั้นตัวของเราเองคนอื่นที่รู้เห็นทราบพฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควรก็จะตำหนิจิเจ เราเองจะสูญเสียความมั่นใจจะไปในที่ไหนจะไม่มั่นใจในตัวเองจะหวาดระแวงจะวิตกกังวลขาดความองงหจกราหารขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแม้จะก่อนจะตายก็จะหลงตายไม่สามารถควบคุมสติสมัญญาของตัวเองไม่ได้แล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกติกทีเรเห็นว่าทั้งหมดนั้นที่จริงแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากตัวสมุไทไยก็คือกิเลส ความทุกข์ที่เราสัมผัสในปัจจุบันด้วยความเล่าร้อนอยู่ภายในใจการถูกตําหนิติเตียนจากสังคมการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองการหลงตายแล้วก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติเหล่านี้ทั้งหมดท่านผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าพอเราสืบไปแล้วมันมาจากกิเลสทั้งนั้นมาจากสมุทยัย ซึ่งเป็นตัวเหตุเหตุจริงๆซึ่งจะสาวไปถึงหรือไม่ไปถึงแต่ด้จริงมันมาจากตรงนั้นเพราะงั้นการใช้ปัญญาสดสองพินิจพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเพื่อทรงสั่งสอนให้มีกา ร, รลาดละมีการสำรวมระหว่างมีการงดเว้นไม่รู้อำนาจแก่รมเหล่านั้นก็เพื่อจะให้เกิดความสวัส ด, ดีแก่บุคคล แต่แมแต่การที่ทรงแสดงรูปบทบัญญัติของศีลก็คล้ายๆกับเป็นกำแพงกั้นเอาไว้ไม่ให้คนออกไปนอกกาแพงเหล่านั้นอย่างบางครั้งเราเรียกว่ามัน ญ, ญาติมัน ญ, ญาติแปลว่าที่จริงมันก็เป็นเขื่อนเป็นคันนาเป็นคันดินมันที่กั้นที่กั้นเอาไว้มาความมาถ้าทลักล้นออกไปแล้วก็มีปัญหา แต่ถ้ายังอยู่ในแวดวงตรงนั้นมันก็คุมไม่ได้ก็แสดงว่าระดับศีลไม่ได้หมายความระดับที่หมดกิเลสแต่เป็นระดับที่จะช่วยควบคุมอาการทั้งหลายของบุคคลให้มีสติสัมปชัญญะมากพอที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเอาไว้แต่น้อยก็หยุดไว้ได้ห้ามกันไว้ได้ ถ้าจะกิเลสประเภทนี้วิติกมามะคือมันล้นมันล้นออกไปข้างนอกแต่การที่เราหยุดไว้ด้วยศีลไม่ได้หมายความไม่มีกิเลสเพียงแต่ว่ากิเลสมันไม่ล้นเราอาจจะเดือดร้อนอยู่ภายในใจแต่ก็ไม่ได้ไปเพิ่มความเดือดร้อนไม่ได้เพิ่มปัญหาให้แก่คนอื่นเพราะไม่ออกมาทางกายทางวาาัตถา เขาก็เรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าอยู่ในศีลในธรรมมันก็อํานวยสุขระดับศีลธรรมอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงอใ น, นสงฆ์ของศีลว่าบุคคลจะสมบูรณ์ในพวกกุณสมบัติก็เพราะศีลแล้ความสุขจนถึงมาเกิดในสุคติของพระศีลและจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลแต่ที่จริงนิพพานระดับศีลไม่ใช่นิพพานที่สมบูรณ์มันเป็นการดับกิเลสได้ระดับหนึง่ง ท่านเรียกว่าถ้าทางกวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยเรื่องนั้นๆกรณีนั้นๆแต่ความทุกข์ที่สืบเนื่องจากการกระทําผิดถ้าเราไม่หยุดความคิดเอาไว้มันจะไม่เกิดขึ้นวัฏิฏะในแาบอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นนิพพานอ่อ น, ออนเพราะว่าดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์อย่างเช่นสมมติเราไปเห็นทรัพสมบัติของบุคคลอื่นวางทิ้งไว้ เราหยุดความโลภอยากได้เอาไว้ไม่หยิบฉวยเอาเป็นสมบัติของตัวเองซึ่งอาจจะหยิบฉวยเพื่อไปคืนในเจ้าของเพื่อมอบไปแก่ราชการอะไรก็นั่นจะเป็นความดีไปคืเราพูดขนาดเราไม่หยิบฉวยเอาไม่ตรงถึงก็เอาไปมอบหมายให้ใครหรือว่าเอาไปมอบหมายให้แก่เจ้าของเพราะนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติไปเราก็ได้รับความสุขใจรับความสบายใจที่ไม่ไปกระทําผิดอย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าตรงนั้นเราหยุดไม่ได้ถืนไปหยุดไปช่วยเข้าอาจจะได้เงินไปจริงแต่ว่าภายในจิตใจจะมีความร่าร้อนความวิตกกังวลความหวาดระแวงกลัวถูกจับได้ไล่ทานใครเอาเรื่องเงินทองเราดันมาพูดเราก็หวาดระแวงอยู่เมื่อยๆบางทีกายเป็นแผลใจแต่ถ้าเราหยุดเอาไว้มันก็ไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแผลใจ ปัญาบางครั้งบางคราวบางกันดีท่านสายชนทั้งหลายจะสังเกตว่ามันเป็นลบไม่หายคือเรื่องที่ลบไม่หายมันก็อยู่ภายในใจเราพอใจสงบแทนที่จะสงบต่อมันถูกกระตุกด้วยความรู้สึกต่า น, นั้นจนคนเคยทำผิดคิดร้ายอะไรป่าหรือว่ามีการกระทําที่ค่อนข้างจะรุนแรงเป็นบาปเป็นอกุศลรุนแรงและอาจจะไม่มีใครรู้หรอก ดังจั้เราก็รู้ที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าความลับไม่มีในโลกนี้นติโลกเกระโหนามะปาปกรรมังอาุปโตวความลับสำหรับผู้กระทำบาปนั้นไม่มีในโลกเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็รู้เห็นการกระทำเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นภายในใจอยู่ได้เสมอ ยิ่งในการเจริญกรรมาฐานทำใจสงบแต่เรามาีมนต์ทินเหล่านี้อยู่ภายในใจมันก็แวบขึ้นมาได้เรืยๆทำให้สมาธิซึ่งกำลังกาลังรวมตัวจะเป็นสมาธิทำให้สมาธิมันแตกไปทั้งหมดเมื่อเรามองดูก็รู้แล้วแต่มาจากตรงนั้นทั้งนั้น เพราะปัญหาทั้งปวงจริงๆในชีวิตของมนุษย์หรือแม้แต่เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งสืบเนื่องมาจากการกระทำของคนเพราะปัญหาในโลกนั้นบางอย่างมาเป็นปัญหาธรรมชาติแผ่นดินไหวในญี่ปุน่นมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกระทำของคนเป็นปรากฏการณ์ธรรมาชาติแต่ถ้าที่สืบเนื่องมาจากคนแล้วเราสาบไปถึงที่มา ก็จะพบว่ามาจากกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเพรา ะ, ะนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนในแนวที่สืบสาวไปถึงที่มาของตัวสมุทยัยคือตัวปัญหาโดยบุคคลตัดกระแสของปัญหาเหล่านั้นด้วยการตัดที่ตัวเหตุหรือไม่ต้องไปวุ่นวายกับผลเพราะผลมันไม่มีให้แก้แต่เราป้องกันเสถียรตัวเหตุ ในหลักจริงๆซึ่งส่งเน้นไปที่แนวการป้อง ก, กันไม่ใช่แนวที่จะตามบำบัด ต, ตามแก้ปัญหาสร้างปัญหาเสร็จแล้วไปตามแก้ปัญหามันเหมือนกับโรคในกายเนี่ยถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดโรคดีกว่าต้องไปตดัดผ่าตาดัดต้องมาเยียวยารักษาประการกระทาเช่นนั้นจะมันอาจจะลดปัญหาลงไปได้จริงแต่ว่า แล้วก็บรรทอนสิ่งดีงามสุขภาพภาระร่ า, า, ายง่ยลงไปไม่น้อยเหมือนกันด้นการศึกษาให้ทราบถึงตัวสมุทยัยซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ในระดับต่างๆทั้งในขณะนั้นๆทั้งในขณะต่อไปและก็ในสังสารวัฏจึงเป็นหลักสำคัญในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมพอต่อมาอย่างนั้นแล้ว ความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเป็นผลที่ไม่มีใครต้องการก็จะเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปกลายเป็นความทุกข์ประเภทที่สทรเรียกว่าเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆหรือเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์ร่ำไปดังกล่าวต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป